ท่างตามปกติวันนี้พวกเรามาร่วมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมมาจะหลงการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกไม่อยาก่อยากพูดว่าประสูต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 เป็นความบริสุดเช่นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าว่องโดยพระธรรมคำสอนอนุเป็นไปเพื่ออนุศาสนีพระโหราทรงส่องสอนเรื่องกายเรื่งจิตของคนไม่ใช่เรื่องพิธีลีตองออกไปจากกายจากใจเลยเราจะมารวมกันมาดูพระโหราอนุศาเสนีคือมาเห็นกายเห็นรูป มันเป็นยังไงพิสูจน์ดูหรือว่าศาสตร์หนึ่งเหมือนเราเป็นนักพิาศาสตษในพิสูจ น, น์อะไรต่างๆในพยาบาลศาสตร์แพทย์ศาสตร์อะไรต่างๆที่เป็นการจบมาก็าสององเจ้าญาติโยมที่จบมาจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้อ่า แล้วก็อาศัยศาสตร์เหล่านี้เพราะเราก็อยู่ร่วมกันพัฒนตประเทศชาติสังคมสุขภาพร่างกายมาได้ดีหลวงตาเคยเจ็บเพื่ได้ป่วยอย่างหนักแสนสาหัสคอยเสียสาสตร์การแพทย์มาช่วยรักษาก็าหายมาได้ยังไม่ตายผู้ที่มีวิชาความรู้จังศาสตร์ที่เล่าเรียนมาก็ใช้ได้เพื่อว่า ความผาสุก ข, ของพวกเราอยู่ร่วมกันพวามที่จะแสดงออกในวิชาการที่เรียนมาหลวงตาเคยไปนอนอยู่เตียงนอนโรงพยาบาลจุฬาที่หายใจไม่ได้หมอกรมพลเป็นแพทย์ผูดดคค้ดูแลใคร้คิดเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกัน มาเยน็นเข้าแถวข้างเตียงบอกว่าผมจบแพทย์ศาสตร์ที่นี่เป็นแพทย์ที่ชานาญในการผ่าตัดผมรุ่นเดียว ก, กันกับเพื่อนที่ยืนอยู่นี่สี่ห้าคนจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมที่จะช่วยหลวงพ่ออย่างเต็มที่หายใจไม่ได้ก็จะผ่าตัดเจาะห้อยหายใจออกทางที่ไหนก็ไม่รู้นะในศาสตร์ของเขา ได้แต่พอหายใจไม่ได้จริงๆก็มีหลายแพทย์ที่มีศาสตร์จบมาบอกว่าถ้าหายใจไม่ออกผมจะเอาออกซิเจนเนี่ไปคุมหว้หน้าให้หลวงพ่อหายใจถ้าหายใจไม่ได้ผมก็จะเอาท่อเนี่ยสอดเข้าไปในปาก พอเขาพูดจากนั้นก็หายใจไม่เลยเยียบไปเลยศายสตร์ศาสตร์ที่มันสำเร็จมาช่วยเราที่ไม่มีทางรอดได้หายใจไม่ได้แล้วก็คืนมาได้ศาสตร์แห่ง อ, อุปติเทพหรือบริสุทธิเทพเกิดจากการศึกษาธรรมะจากศีทัฐน์ได้เกิดขึ้นแล้ว ในวันที่สิบเก้าที่ผ่านมายังมีไออุ่นอยู่พวกเราก็มาฉลองกันให้มาพิสูจน์มาศึกษาศาสตร์นี้อย่าได้ปล่อยละเลยเลยขอให้เป็นวันที่เราฉลองกันใหญ่ยิง่งใหญ่แสดงออกโดยเพาะกลุ่มพระสงฆ์ที่ได้รวมกันมาทุกปีนานมาแล้วเราก็เรียกพวกเราว่าสาขา ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันในวันที่วันหลังกั น, นตัดสะลูกมารวมพลังกันสี่สิบันหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ทำทั่วทั่วไปตามถิดที่ต่างๆตั้งแต่เดือนธันวาพฤกจิกาธันวามาเขามาจบลงวันสองวันนี้ เราทำวิสาขะที่วัดของตนของตนก็นมารวมกันที่นี่ mm. เพื่อเฉลองในจิตการอันนี้ประกาศ อ, าออกไปพลังแห่งธรรมแล้วเราก็รับผิดชอบรู้พร้ที่จะใช้ศาส์นี้ไปช่วยมนุษย์ทั้งหลายจะมารวมกันวีนี้ไาใช่ที่นี้พัดป่าสุโกโตแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ อ่าก็อยู่กันไปอ่าอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยพุทธสูตรต้องลอยโน่นคนไว้พุ่เจ้าชี้มือไปโน่นเลื่อนวางโน่นลองฟางพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพี่ยนเพื่อเผาจิเลศไม่มีนั่นกติมีหน้ามีไปไหมนั่นวิหารนั่นไม่มีเลยชี้ไปตรงที่ลูกขมูลละ วัดเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติรวมยากห ว, ว่าฝึกขัดให้เราแข้มแข็งได้อย่าท้อถอยฝึกฝนตนเองการปฏิบัติทำเนี่ยพวกเราก็มีพระ ส, สูตรอย่างท่าทายต่อพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่เราดุ้นเล่าเต่าดุด้นไป ให้รู้อะไรไม่ใช่ชัดเจนเหลือเกินอนุสาวรรานุาสาวรียขี้ไปที่กายที่ใจเราเดมาดูซิมามีสติมาดูไม่ใช่มาสร้างนะถ้าพูดภาษาปรมาทัแล้วสติไม่ใช่มาสร้างมาใช่เลยมาใช่เลยมันมีอยู่แล้วความรู้เราไม่ใช่สักทีมันก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยงอกงาม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 ช่างก่อร่างสร้างบ้านถ้าเราใช่เลื่อยใช่มีดใช่สิวใช่กบเราก็ชำนาญเป็นฝีมือปาณนตไดต้ใช่ใหม่ใหม่ก็ทําให้เป็นการมีสติการใช้สติเนี่มันชำนิชำนาญจนเกิดศิละปะเรียกว่าศิละปะของขีพิษที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามที่สุดจนเห็นแจ้ง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 พระพุเจ้าเนี่ยเป็นชาตราเป็นบรมโอครูเป็นนุสตละลอเป็นอนุตระสัมมาสัมปวิยานสามารถสองคนทั้งเทวดามารผมมีผู้รูดตามได้ไม่ใช่ว่าด้อยมาก่ายเลยเกันจนมาถึงพวกเรามาพิสูจน์กันดูวิธีพิสูจน์รงนี้คือกรรมฐาน ที่ตั้งของการกระทาที่ตั้งแห่งการกระตั้งไ้ที่ไหนเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลามีสติตั้งไว้ที่กายวิธีตั้งไว้ทําไมกายานุปจนนาสติมีสติเห็นกายอยู่เหนืองเนืองมันก็มีอยู่กายเนี่ยไม่ได้โมโหภาพอะไร กายเราก็มีอะไรที่มันจะรู้อะไรที่มันจะใช่เกิดตัวรู้ได้ใช่มันเราจงมีรูปแบบการสร้างจังหวะปลุกขยาวทันเวลาวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งจังหวะที่เราสร้างสิบสี่จห้าจังหวะรู้วินาทีและทุกวินาทีเรารู้เรารู้เนี่ยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูวิศ์ดูวิทยาศาสตร์ มันจะรู้จริงไหมมันเห็นอะไรตัวรู้เนี่ยประจบกับอะไรประจบกับอะไรที่มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาประสบกับการประกอบการทำให้มีไม่ใช่ว่าสร้างทำให้มีขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มันไม่มีตัวรู้มันก็มีตัวรู้ได้ในสิ่งที่ไม่มีตัวรู้เช่นความหลงความหลงเพราะไม่มีสติ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 เราอะไรจึงตอ่พอพราตอบจากการสัมผัสมันจึงเป็นระมัดปรจฉมัดคือความจริงที่พิสูจน์อย่างนี้แล้วมันอะไรที่มันเป็นความลหลงหลอยอย่างพานป่าดงความหลงมันจึงเป็นความรู้ได้ไม่ใช่อยู่ๆจะมารู้เลยเหมือนเวลานี้พระอาทิตย์มีอยู่แต่ว่ามีที่บางไม่เห็นดวงอาทิตย์ มันยังไม่ผ่านโศกกันมาเพราะนั่นเราเจึงมาพิสูรณ์กันง่ายง่ายอย่าคิดว่ามันยากการเจริญสติการมีสตินี่ไม่ใช่เอาอันนั้นไม่ใช่เอาผิดอันนี้ไม่ใช่เอาถูกไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาทุกข์มีสติมันเทศุขก็ไม่ไม่ค่าทุกข์ก็ไม่ไม่ค่า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 มันร้อนมันหนาวมันหิวมันก็นหายมันโศกมันทุกข์เกิดจากกายก็เห็นเลยมีสติเห็นยังไงกายจะว่ากายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขาไม่ค่าไม่ค่าอะไรที่เป็นเรื่องของกายมีแต่ตัวรู้มันจะมีค่าเราค่าเราไม่พอเราเราไดยพอยึดมัน่นสาคัญมั่นหมาย เอากายมาเป็นภพเป็นชาติเกิดอาการต่างๆเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะเรื่องของกายเกิดจิเลตันาเกิดการปูงแต่งเกิดเรื่องของกายทั้งนั้ น, นเราจึงมีสติดูมันไม่ให้ข้ามาักายจกว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นทางไปนี่เหยียบไปเหยียบไปตรงที่มันลกคลกมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหยียบมันลงไป ให้เป็นรอย้อยแห่งความรู้จักตัวเป็นรอยเอาไว้ตรงไหนที่มันลกุกเหมือนกับเรามาอยู่เนี่ยเดินจกมกรมอันไหนที่มันไม่มีทางเราเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเอาไปมาก็เป็นทางกันมาต่าเดิมไม่มีทางเลยในชีวิตเราเหมือนดงดงอะไรดงแห่งความอวิชชาอวิชชาเป็นป่าเป็นดงความหลงเราเบีควา ม, ลลว ม, วามลหลงหรือมีความรู้มาก ตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้มาดูซิแล้วเราใช้ชีวิตอย่างไงเลือกได้ไหมเลือกได้เรามาเลือกใช้ชีวิตอย่างงดงามอย่างสง่า ง, งามเป็นสิทธิเสรีภาพปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความมืดมดพ้นแล้วจากเมฆบอกมาเห็นความรู้มาดูวันเนี้อา้าวเวลาใดเราเห็นกายกายสต่ว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราก่า พ่นวาแล้วมันพ้นทันทีมันเป็นมักทันทีมันเป็นผลทันทีเวลามันหลงเป็นเหตุเวลามันรู้เป็นผลเอาคนหลงว่าเป็นผลสร้างเป็นตัวรู้ได้อย่าไปเด้อโอ้ยเสียใจเพระาะของหลงไปเอาผิดผิดแล้วไปเอาถูกเอาถูกแล้วไม่ใช่ยังไปไม่ได้ยังเป็นคู่ยังมีรสมีรสชาติชีวิตที่มีรสชาติเดี๋ยโลกอยู่ในโลก พ้นจากโลกเรืยว่าโลกกวิถูเหมือนพระเจ้าของเราผู้ลู้แจ้งไม่ไม่ไม่ไม่หลงอยู่กับโลกจะได้ถึงวิเหนือการเกิดแจ่บเจ็บตายนี่เป็นทางไปเนี่ยเรามาใช่ว่าจะมางมอะไรต่างๆไม่ชัดเจนเหลือเกินเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนมาพิสูจน์มาแล้วว่ามาเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเหนือทุก เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ อ, อนนิพพานพระพุทธเจ้าเกิดสมาธพร้อมพระธรรมในวันที่เป็นเดือนหกพระจันทร์ดาวลึกเต็มดวงคือพระจันทร์เต็มดวงทุกปีเราก็วิสาขค่ะกันมนะาทะเลองกันเถอะพวกเราอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของเราแท้ๆการตัดรูปวัตฏขึ้นของพุทเจ้าเนี่ย เป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของผู้ที่เจ้าเราจึงกระตือละล้นพากันมาทั้งพระสงฆ์ของเจ้าอุบาสกบาจิกาสามเณรไม่ขีมารวมกันดูมาพิสูจ์กันดูมารับรู้รับทราบกันแลื่งนี้ดูอย่าปล่อยป่าละเลยให้ใครคนใดคนดังจึงมาวิธีอื่นไม่ได้จะมอบไปกันบ่าเหมือนของฝากรั์เจงเงินทอง ต้องเป็นของส่วนตัวต้องทำอย่างนี้ไม่มีวิธีใดต้องมาจุ่มเอามาต่อเอาเอากายเอาใจมาต่อเอาเราอความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้ข้าอะไรไม่นอกจากตัวรู้เข้าไปฐานมันอยู่ตรงนีนไม่ใช่ไปเอาว่านอนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงทำไมจึงมาทำอย่างนี้ไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผล เหตุผลไม่ใช่สัจธรรม <c oughs> <c oughs> เหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมต้องประสบต้องพบเห็นด้วยตนเองเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นบันไกลอยู่การพบเห็นมาเดี๋ยวนี้ปัจจตังคำสอนพระพุทธเจ้ า, าเป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่คิดเห็นพบเห็น การพบเผ็นไม่มีคำถามเหมือนเรามาพบเห็นสุโกโตหอวใจเป็นอย่างนี้แล้วมีคำถามไหมหอวใจเป็นไงไม่มีคำถามเราตอบเองโอ้เป็นอย่างนี้หอวใจจะลาไก่เป็นอย่างนี้จะลาหน้าเป็นอย่างนี้จะลาจิมน้าเป็นอย่างนี้สานักงานเป็นอย่างนี้โดยที่ตัวก็ห้าร้อยไลเป็นอย่างนี้ ปเปลืเอนจุกตัวเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่สามรอยปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าไปรบกวนมันต้นไม้โบราณบางทีคนจะไปกาศไปไหวเอาผ้าหล้งไปหอ่อบางทีไปขูดหาเลข ห, หาหวยก็มีบางคนนะจึงเขียนไว้ห้ามรบกวนต้นไม้โบราณอาก็เห็นแล้ว ทำไมยังบอกว่าต้นไม้โบราณสามรอยปีหลวงพ่อเกิดสามรอยปีเลยไม่ใช่เคยไปดูต้นไม้สามรอยปีที่ประเทศอินเดียเมืองแคทเนียกาจันต้องเส้นเอาโอกาสเราต้นไม้สามรอยปีมีประวัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วไปดูเราก็ไม่ต้นไม่โตเท่าไหร่ไม่โตเท่าต้นนด้วยแล้วไม้ของเขาเป็นไม้อวบอวบ อ่าก็อาจจะไม่สร้างสรรค์มานานเหมือนประดูตอนนี้เลยเอาบอกอย่ารย์จินว่าควรเทียบประกาศได้ว่าต้นไม้ตอนนี้สามรอยปีคงไม่ผิดไม่ใช่เราเกิดสามรอยปีมาเป็นขัวมุมมเราก็เปรียบเทียบนะให้มีบ้างนะประเทศแต่เราจะมีแต่ประเทศเดียวถ้าไม่มีที่อื่นก็อยู่ตรงนี้หลายที่อยู่มาหาวันก็มี อต้นไม้สามร้อยปี น, นั่นเป็นต้นตะเคียนทองอันนี้เป็นต้นประดู่อันนี้ก็พูดเอก็เห็นแล้วว่าสุกรตัวเป็นอย่างนี้ะแล้วสิ่งที่สอนที่บอกก็เป็นอย่างนี้ก็นั่งอยู่นี้พูดอยู่นี้มีตัวมีตนที่พูดเป็นสื่อภาษาไทยเหมือนกันนะแล้วจะอ้ออะไรอีกสิ่งที่พูดอยู่นี้มีกับเราทุกคน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 มาเป็นชาติใดภาษาใดนุ่งผ้าสีใดรู้ได้ไหมรู้ได้ไม่ใช่เราเป็นชิดเป็นพุทธเป็นนิสลามไม่ใช่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่ใช่เราเป็นคนแก่คนอ ะ, อะไรต่างๆมันไม่มีเลยไม่ตัวรู้ตัวเดียวไม่ตัวรู้ตัวเดียวไม่มีความหนุ่มไม่มีความแก่ไม่มีแมบบ้ทั้งความเจ็บความปวดเอาเลยทีเดียวบันจากว่ากายมันจากว่าเวทนา มันเจ็บมันปวดหรือมันรอวมันหนาวหรืออา้าวศักวาเวทนาความสุขความทุกข์ก็สักวาเวทนามันเป็นาการของหงัดไม่ใช่เราเรานี่ไปตู้เอาเวทนาคือเราไปป้นไปจี้ไปซื้อเอาที่ยังมาไม่ใช่เสียเปรียบน า, นานแล้วเห็นเวทนาสักวาเวทนามีไหมในตัวเราเนี่ยเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดีย ถ่าว่าปาเาบานเราก็สุขทุกข์นั่นแหละชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์เวทนามีบวกมีลบอันหนึ่งชอบอันหนึ่งไม่ชอบเรียกว่ารสของโลก <c oughs> รู้แล้วมันก็จืดไม่ให้ค่ามันรู้แล้วแค่นั่นเองง่ายๆถ้าไปชอบมันยากไปหน่อยถ้าไม่ชอบก็ยากไปแบบนั้น อันชอบอันไม่ชอบไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือไม่เป็นไรกับมันอ่าไม่เป็นไรไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรทำไมยังไม่มีไม่เปลี่ยนเพราะมันเห็นแล้วไม่น่าเปลียนมันเป็นสุขก็เห็นแล้วเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วไม่มีใครไม่เห็นสุขไม่มีใครไม่เห็นทุกข์แต่ว่าสุขทุกข์สมมติเดาไม่ใช่ปรมาิเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมาณสัจจะ หลวงปัญญิเนี่ยไม่เป็นธรรมบางคนชอบยิ่งเล่ามาอยาว่าเขาชอบสมมติปัญญาว่าชอบแต่บางคนไม่เอายิ่งเล่ามายาไม่ใช่เรามาชอบเพราะปัญญาอันชอบไปชอบเราเราบัญญัติตัวเองเราก็รู้ว่าเออรู้แล้วรู้เลยเป็นกลางไม่เป็นอ่าอ่าส่วนส่วนไหน ไม่บอกไว้หรอกคำว่ารู้เนี่ยเป็นมักที่สุดแล้วสุดยอดขององค์มักผ่านในตลอด จ, จะเป็นดงเป็นป่าติดเปือป้อนอะไรมาก็ตามนิสยัยยังไงมาก็ตามนะจะเป็นละทิแบบไหนมาก็ตามจะเป็นมณะใดมาก็ตามถ้ารู้อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันทุกคนแต่เรานั่งอยู่นี่มีความรูจ้จากตัวเนี่ย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 พัฒนาขึ้นไปจนถึงพระเรียบุคคลตัวลู้ตัวเนี้ยที่สุดเลยทีเดียวจังุท้เจ้าเป็นพระรหันนิพพานแต่อายุสาหกจนไปถึงอายุแปดสิปีจังทำประโยชน์มา ก, ม า, กมายกว่าคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสร้างสรรค์ประโยชน์เยอะแยะเลยช่วยมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายช่วย แม่แต่องคุณิบาลจับมีดจับดาบไล่ฟันเขายังคิดช่วยไม่ได้โกรธเลยเป็นโยอนักลักที่สุดเลยมีใครบ้างที่เขาจับดาบไล่ฟันเนี่ยยังคิดช่วยเขามีแต่จะโจสู้กันจนช่วยองค์ที่มาลได้เพราะนั่นเนี่ยเราจึงมา มีศาสดาที่สมุลแบบที่สุดเลยพี่สจท์มาไม่ตัดออกไม่ได้คำสอนของพระพุทธศาสนาของเราจะเปลี่ยนจะเพิ่มก็ไม่ได้ว่าทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนะนี่คือของจริงเราจึงไม่ควรจะให้บันพาดไปชีวิตของเราวันคืนมันก็ผ่านไปเกิดเจอเจ็บตายไปเรื่อยๆไป แต่ไม่เจริญตัวรู้ตัวแน่มันก็ไม่สมมูรณไม่สมมูลแบบแล้วก็มีปัญหากับชีวิตเราการเกิดการแจรแเจกบปัญต า, เ, า, เ, า, เ, า, เ, า เ, เป็นทุกข์เราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำอย่าไรกนทำที่สุดแห่งควทุกข์ทั้งเช้นนี้จะเพึ่งปรากฏจะเจรเราได้ อุทิศอานันต์ทำแบบพระพุทธเจ้าทำเฉไหนกันทที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยจึงจะมีแจกาะเจ้าจึงทำอุทิศอานันต์สัมมาสัมพุทโธทำแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนไงนี่ไม่ต้องไปหามีแล้วรู้จักตัวเข้าไปที่เห็นกายเห็นใจเอากายเอาใจมาเปา็นดําลาถ้าไจบตรงนี้จ้า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 เรียกว่าธรรมะผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมปปปาบาทผู้ได้เห็นปฏิจจสมปปบาทผู้นั้นเห็นธรปปรมธรรมขึ้นมันเป็นอย่างนี้เพราะมีตัวรู้มันจึงไม่หลงเพราะมีหลงมันจึงไม่รู้ทําไมจึงมีตัวรู้ได้ก็ประกอบความรู้ขึ้นมาในวลามันหลงถ้ามันไม่หลงก็รู้ไว้จะไปทําอะไรละนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ ยืนอยู่ทุกอริบบทเลยเหมาะแจกการประกอบความรู้ขึ้นมากายของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างตัวรู้ร้างตัวหลงมันยากต้องลําดับลําดํำจนเขาว่าให้เราเราโกรธพอใจที่จะโกรธทําไมยังทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้มันมีเหตุมีผลจนการเกิดการเฉนข่า เลาว่ากันอันรู้ตัว น, นี้ไม่ใช่ไปถึงโนนรู้แล้วแค่นีเ้เหมือนลัดที่เวืองอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็หลุดไปรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญากรทัจวังเทศการแรกของพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วรู้แล้วพระพุทธรูปแสดงไปอะไรอย่างเราสวดอนตะละคณาสูตรถอนจำวัตรจังลูกไม่เที่ยงโลบังอนิจจัง อนุาสาชนีหูลาภวัตติเป็นไปเพื่อสวกส่วนทั้งหลายส่วนมากรู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงพระพิจ้าเป็นคนแสดงผู้แสดงแต่โกณัญญาฝังเอาสิ่งที่แสดงเป็นภาษามามาทำในกายในใจตนเองรู้แล้วเห็นด้วย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 พัาวลเอวังเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้จึงได้เป็นสาวกตัดทะลตามพระพุทธเจ้ามารู้เรื่องนี้กันเราเนี่ก็เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วพร้อมแล้วมารู้เรื่องนี้เข้าอย่าไปเปิดไปเพื่อขับอย่างอื่นอย่ามีร่องรอยกับเจรินแม้มีร่องรอยก็กลับมาได้มาทำกรรมมาล่างบาปมาล่างอากุศล ถ้ารู้มันก็ล่างแล้วทำบุญแล้วถ้ารู้มันก็รักความชั่วแล้วถ้ารู้มันก็ทำความดีแล้วถ้ารู้ตัวนี้จิตก็บริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเลยปฏิโมกยอ่อคำสอนยอ่ยอๆรักความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านี้คำสอนพระพุทธเจ้าทำไงจะรักความชั่วก็ดีแล้วรู้สึกตัวนี่แหละรู้แล้วรู้แล้วนะ่ ไม่ไปกับมันมีตัวลู่ตัวลู่ที่ใดก็ลู่สึกตัวที่ใดมันอะไรมันมีไปมันหมดไปแต่เป็นความมืดก็ความมืดหมดไปเพราะตัวลู่มันแจ้งสว่าความหลงเหมือนความมืดก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปเอาไปเอามาได้หนึ่งวันก็ลู่สองวันก็ลู้สามวันก็ลู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาพิสูจน์ดู ไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเชื่อหลวงตาไม่ต้องไปเชื่อใครบุคคลนั้นพูดมีเหตุมีผลบุคคลนั้นทุกคนเชื่อถูกกับแบบจิตนิสัยของเราอย่ามาอยู่แช่นั้นต้องมาประกอบต้องมาทําหมือนยาโยงที่มาจา ก, กวันโมกเมื่อวานนี้จะไม่ได้อยู่เอาปัจจัยมาถวายโอ้ยไม่เอาหลงปัจจัย เอาคนน่ะเอาคนนั้นน่ะมาจุ่มมาต่อเอาของลู่เนี้ยไม่ต้องเอาปัจจัยเอามาให้เอารับไปก่อนไม่รับปัจจัยไม่รับเอาคนน่ะอยู่ปฏิบัตินี้พอเธอก็เอาให้คนหูเอาปัจจัยให้คนหมูไปเข้าลงทานอากาดีจะมาเสวียนร้องตายไม่เอาจากไตคนนี่ะช่วงสี่สิบวันนี้ เราพอใจที่เห็นวกาเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสมองเจ้าชื่อ ใ, ใจเป็นครั้งเดียวเท่านี้สุโกโตนะตั้งมาแล้วสามสิบสี่สิบปีเพิ่งมีครั้งนี้เออเราเนึองว่าจะไม่มีใครมาวางผ่อนกับพระที่นี้สุโกโตไม่มีคนมาทำาไงพวกเรามันอยู่ไกลเหลือเกินชนบทมาก็ลำบาก แล้วก็ใครมาที่นี่ก็อาจจะเก็ดหลาบได้ถ้าไม่มีใครมาจุกโตทำงยงไงก็พูดกับคุหมอประสาทึ้นหมอุนทลีลงพระวานชัยภูมิว่าถ้าไม่มีใครมาจุกโตจะไป อ, ะอยูอ่ห้องพระติกสงฆ์พอไปเห็นที่นั่นบางว่างอยู่ไม่มีคนพักก็ขอ พ, พักสองคืนสามคืน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 เราลูกกันระหว่างคนป่วยเหมือนกันไปพูดกันคงรู้จักก็ขอเอายาตคุณหมอชนจะลีคุณหมอประจักรคุณหมอประจักรเออดีดีก็เลยมีโครงการห้านาทีทองก่อนจะจขาดเราจะไปดูแลคนป่วยแล้วไปทํามาแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่บอตตันลงไปวานบาลบอตตันไปดูคนป่วยไปสอนคนป่วย ถ้าเราก็เป็นชาวพุทธก็พุทธทางสันังกาชามิข้าพเจ้าศรัทธาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นศรณทอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยศรัทธานี้แล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ธรรมังสันนังกาชามิศาัทาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นศรณทอันประเสริฐของข้าพเจ้า ภาพยาวอาศัยสนะนี่แล้วจึงพ้นจากทุกตั้งปองได้เอาไปสวดไปยืนพูดคนหมอคนพยาบาลไปยืนพูดอยู่ข้างเตียงสามคนสี่คนห้าคนปรากฏว่าใช่บ้างแล้วหลนตาไปสวดอยู่ที่อาศรศัมห า, หาวิไลวัฒน์ตัานน์ก็ไปสวดแบบภาษามหายาน อามิตโตุภอามิโตุภูอามิตโมตโุภอ้าวจก็สวดไปกับเขาก็ยืนสวดอ่ากบับว่าจบบรรยากาไป ร, ร่วมกับคนป่วยก็นอนฟังปานนมมือขึ้นนะได้ยินอามุตตุภอามิตตุภุดผู้ใดตายขณะที่ได้ยินอามิตตุภุดในหูผู้นั้นจะไม่ตกนรกเรียกว่าห้าในทีทองก่อนใจขาดเอองานเราก็มี คงคงไม่อยู่เฉยๆชวนพระที่นี่ไปโรงพระบาลต่างๆอ่ารอนเขียนบ้างบริลัมบ้างคนหมออ่มาริกิจให้ไปไหมเลาอเพราะันเนี่ยเราไม่อดนะ่ะถ้าไม่มีคนเข้าวัดนนะ่ะคิดอย่างนั้นเราคิดจะช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มี มีคนซื้อรถให้เนี่ยคุนบนทวีตอนนอนป่วยโรงพยาบาลเอารถมาให้กันหนึ่งเอาไว้ล่องตาไม่เอาดอกล้องตาคงไม่รอดแล้วลองตาอยู่แล้วเอารับไว้เถอะตั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมามอบให้ล่องตา สองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็นรถลาเดินไม่ได้คันนี้เป็นรถนิวนิวอะไรนิวเซเว่นอ่ อ, อย่างดีผมซื้อมาร้านกว่าบาทโอ้ยไม่เอาไม่เอ า, ม, เอามีรถอาจารย์ตุ้มอยู่แล้วเอาเถอะเอาเถอะก็เลยลบไป เอาไม่เอามันจะตายอยู่แล้วไม่ให้ตายไม่ให้ตายสว่าอย่างนี้เออคนที่ไม่อยากให้เราตายก็มีออเนี่ยเออเลยพยายามทอพาชื่อเข้นมาโอ้อยากไหลเกินนะอันตายมันจะเบายอยใครว่าคนเจ็บเป็นทุกข์หรอไม่ทุกข์ตรงไหนเขาว่าคนจะตายเป็นทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ตรงไหนเลยมันสนุกไปเลยนอนโงพระบาลเกือบปีนี่คนไปเยี่ยมอ่ะมีพูดอยู่แถวว่าสนุกป่วย สนุกป่วยถ้านุกเยงนย็การป่วยกันเจ็บไหนะโรคแมลงก็เมื่อตบปอนโตปวดเอ้าแมลงเออเป็นเพื่อนกันกันกบตับปอนท่านละ่ะเราไม่หลังเกียดอยู่ด้วยกันไปแต่เราไม่เป็นกับท่านนะเราจะอยู่ของเราเองมันปวดท้องหมอพยายามมาถามาปวดมากไหมก็ปวดมากกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ ร้อยไปเช็นต์ไหมเกินร้อยทำไมหลวงตานอนอยู่นี่เอ้าไปแสดงการร่วมกันบันทำไมมันปวดก็เป็นอาการหนึ่งชีวิตเราไม่ได้ปวดกับมันเห็นมันเนี่ยใช่ไหมเราเห็นไหมหรือเราเป็นเป็นทุขหรือเห็นมันสุขเป็นทุกข์หรือเห็นมันทุกข์เป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธเป็นผู้ร้อนหรือเห็นมันร้อนเป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว เราจึงมาดูมันอย่าให้ข้ามันเริ่มซะออกมาซะอย่าอยู่กับมันในโลกนี้ถ้าดึงแขนออกมาได้จะดึงสก่าซออกมาเลยมันดึงไม่ได้ต้องออกกเองวิธีออกทำไงละ่ะมาดูมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันมีคนมาปฏิบัติธรรมดูด้าบูดด้าบึ่งเวลาทำความเพียร อ้าเลยถามเป็นไงหนูอ้ยวันนี้ไม่ไหวเครียดง่วงนอนหลวงตาก็ยิ้มเอากรรมฐานนักกรรมฐานเขาไปพูดอย่างนั้นพูดใหม่ไม่เอาอย่าพูดอย่างไงร่ะมันเครียดจริงๆเนี่มันคิดมากหน้าบูดท้าเบิ่งอ้าวหลวงตาบอกให้ดูมันเห็นนั่นไหม กันเครียดเห็นมันง่วงเห็นมันไหมก็อบอกให้ดูเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นอ่ะใช่ไหมก็หน้าตาค่อยหย่อนกันมาบ้างเออตอบไหมจะตอบเป็นไงล่ะหลองตาอ้เอาเป็นไงวะเ น, นี่ตอบไงหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ทีข้ามาถามเขาตอบแบบนี้ ว่าว่าตอบว่าหนูเห็นมันเครียดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นผู้เครียดเดีนมันเครียดเป็นผู้หลงเรีนมันหลงเป็นผู้สุกข์เรียมันทุกข์บอกแล้วให้ดูมันได่ให้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้มันมีค่าเหลือเกินในโลกเนี่ยความสุข ก, ก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่า ความโกรธก็ไม่ค่าความหลงของโลกไม่ค่าความรักความจังไม่ค่ามันจึงมีปัญหาใจตัวอย่างไรคนเด่นถ้าเราไว่ค่ามันเมื่ไหล่มีสติคนคนเดียวกันมิตรภาพพระศีลอนุเบตัยเกิดตรงนี้ศาสนาที่สูงสุดคือสีลอนุเบตยัยลาบไปเลยชีิตของเราลาบไปเลยนะ่อยทำไมอ่ะเราจึงจะพบจริงเราไม่จะเป็นสมบัติของเราอุบัติขึ้นจากเรา ต้องมาประกบมาดูมันมาเห็นมันมาเห็นมันทุกคนทำได้พรดเจ้าสอนในสิ่งที่ทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดการตอนเช้าตอนเชีนตอนสายตอนวายรู้ได้ทันีดไม่มีเวลาอากาลิกรริตทำเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปเชื่อใครเลยเนี่ยอาจารย์ยังไงพวกเรา แต่ว่าอย่ามาเชื่อเราห้อยทําเอาจึงมีจิตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีวิธีใดแล้วขึ้นไป้ายไว้บอกเมื่อวานเนยบอกเอาเมื่อก่อนเนยบอกอาจารย์ทรงสินว่าเอาแบบพระเจ้าเป็นไงตอนที่พระเจ้าไปอยู่ป่าอิสิปตนะบื้อขตายวันโอธฐปัญญาพชีตอนด้านพยาศะกนบุตร <c oughs> ลูกชายเจตีประมาณนี้ ลองออกไปที่นี่วุ่นวายเหลือเกินที่นี่ทุกหนอทุกหนอออกจากปาราณีไปป่าอิศรู้เจ้าจงกรมอยู่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่ได้ไม่ขัดข้องนาที่นี่เถิดนาที่นี่เถิดญาตจากคนบุญดได้ยินเสียงตามเข้าไปอะไรหนอะเสียงอะไรเลยถดลองเท้าตามกัเห็นพวกเจ้าเทศนาอบรมปัญจพีอยู่เข้าไปฟัง อยากจะเขียนไว้ที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเราไม่ที่อยู่ไม่เข้าขกินตามทุกวรผลเจตนาะแต่ว่าเขียนไว้เพียงแต่ว่าสถาบันสติปัฏฐานจาตกสินเขียนไว้ประคาศเป็นสถาบันเพราะชีวิตเราเป็นสาบันมีความพร้อมี่จุดกายก็มีใจก็มีเวทนาอะไรที่เราจึกจะให้มันจบตรงนี้กัน จะไปจบแต่ศาสตร์อื่นเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์จบศาสตร์ตอนนี้บ้างกายเนี่ยมีเวทนามีสัญญาณสังขาริญญาณจบตรงนี้ดูชาติเส้นแล้วผมว่ายจัน์อยู่จบแล้วยิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าอุทานออกมาในวันตัดจะรู้เมื่อวันที่สิบเก้าชาติของเราเิ้นแล้วผมอายจันท์ของเราอยู่จบแล้ว กิจอื่นที่เราจะทำให้มีอีกแล้วลองดูสิจะรู้สึกเป็นไงชีวิตเราจะเป็นยังไงรีว่าสำเร็จที่สุดเลยชีวิตเราถึงจุนไม้ไปลายทางแล้วก็อยู่กับครอบครับครัวอยู่กั บ, บเพื่อนงานทามานช่วยกันตรงนี้ควรที่จะประกาศแล้วมันสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพรรษาตั้งแต่ปลรีสผ่านมาก่อนปรีสผ่านอีก 45, 40, สี่สิบห้าสี่สิบปันศานับรวมกันยาวเหลือเกินนานเหลือเกินเมื่อไรเราจะรู้ลังนี้กันนะไปโกรธไปอิจฉาไปเบียดเบียนไปอิจฉากันทำหม่เหมือนภาคใต้สามจังหวัดเข่นฆ่ากันนะไม่สมควรจย่างเี้พวกเราจะเป็นศาสตรนาอะไรก็าตามฐานอยู่ตรงนี้นะจะบอกให้อย่าไปฆ่ามัน ท่านทั้งหลายปวดเมื่อยเห็นมันจ่า้ข้าควคงเปิดคนไม่ลาบากก็เห็นมันอีกหนึ่งวันนี้ถือว่านิเทศจักหน่อยนะอย่าไล่เวลาลงตานะการอยู่ในป่าเนี่ยเราท่าน อ, อมด้วยถ้าจะตัดต้นไม้ไผ่ก็ตัดได้แต่ว่าลูกต้นใดต้นไหนที่มันแก่รอดโกไม้ที่มันแก่เท่าตัดได้แต่ว่าต้องเก็บให้ดีต้นไหนที่มันอ่อน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 ถ้าจัดบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่ารบกวนมันการอยู่ในป่านี่อย่าไปขุดดินอย่าเห็นรอยจบรอยเฉียมไม่อยากเห็นรอยจบปลอยเฉียมเรารักแผ่นดินเรารักประเทศชาติเรารักธรรมชาติที่สุดอยู่ที่นี่แม่เห็นรอยน้ำไหลเขาไม่อยากเห็นนลไม่อยากเห็นรอยน้ำไหลถ้าน้ำมันไหลไม่มีกักขังไม่ดูดึมแล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไปท่วมไรชอบนาเขา ไม่อยากเห็นน้ำไหลอย่าไปขุดคองให้น้ำไหลเด็กขาดอย่าไปทำรอยจอบรอยเฉียมบนแผ่นดินนี้ที่อื่นเราห้ามอะไรขอห้ามที่นี่นะตอนมาตอนใดที่ไม่ควรจะไปตัดนั้นก็อย่าไปตัดรอยจอบรอยเฉียมเอาเสือที่ปูที่นอนที่นี่มีคา่าราคาแพงมากก็ อ, อย่าไปใช้จุลุ่ยจุล้ยเราเป็นคนจนไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนวัดของท่านไม่เหมือนวัดของท่าน ถ้าจะปู้เสือบนแผ่นดินนะ่ะเดี๋ยววันนี้ไอาจานน์นะนดลองเจ้าวาดไปซื้อแฉล้มมาปูพื้นดินนะ่ะแล้วก็ปูเสือลงไปแล้วแฉล้มนี่มันดีนะถ้าพื้นใหญ่หน่อยตนะะขาบเข้ามาไม่แม่กล้าเพราะาตั้งไว้หลังตาเดินจ่อ ก, กองอยู่เอาดามเห็นโค้งนะ่ะเอาแฉล้มปูถ้าตะขาบมันตัวใหญ่วิ่งมาพอมาเจอแฉล้มมันหลบหนีไป วิ่งมาอเองพอเจอเจระแหน ม, มหลบนี้ไป อ, าอ้าวจระแหมก็ดีนะจีเขียวๆนะแต่เอาเ จ, อดนะจีดํานะจีดํามันไม่กลัวจีเขียวมันกลัวเอาปูให้นอนอยู่ไปเถอะอ่ะจะดูดีงูนอนด้วยก็ได้จะเป็นเกียรมันเวลาลุกนอนหรืออยู่ที่ในป่าต้องอ่อนนุ่มจังหน่อยอย่าลุกนี่ลุกลนเวลาบางทีฝนตกตลอดคืนงูมอดอนนุย่ย อย่าทำให้ตกใจเคยมีงูนอนด้วยที่นี่เอา้เอาเจ้างูเอ้ยนอนด้วยกันนะ่ะฝนตกตลอดคืนนะเอามอือด้าด้าอยู่ข้างมงนะุ้งเนี่ยมาเลยนาะเอามือคำดู <c oughs> คำดูเป็นคำดูเห็นหัวมันขดอยู่เห็นครตัวใหญ่นะเออไอเจ้างูเอ้ยเจ้าหนาวเลยไปเอาเขาะคจะหนานนนวนานะฝนตกนาะอ๋ออยู่ด้วยกันละ่ะนอนด้วยกันแนี่เอาแขนแต่ผ้าบอกด้า้ามันใส่ฝนอยู่รองมุ้งนะ อย่าไปกลัวตกอกตกใจเป็นเพื่อนกับงูใช่ไหมฮะไม่ว่ากลัวกันตัวจันอย่าไปกลัวความกลัวไปทุกข์นะตามใจสบายสบายเขาทําให้กลัวก็จะไปกลัวเลยฮะสบายสบายเอามดมันกัดเลยมันกัก็ลักหมดคุยเจ้าหมดเด๋ยพูดก็หมดตัวเจ้าก็เล็กนิดเดียวหนาะเอาเรานี่ยกะ ถ้าจะฆ่าเจ้าเราฆ่าไปตายเป็นหมื่นๆพันๆเราไปฆ่าเจ้าดาราเนี่เราจะนอนในบรรยากากันดาเพื่อกระมดลองดูทำใจดีๆบางทีบดอาจจะลรื่องกันอย่างอย่างว่าเทพพุทธกุมูจงอางใหญ่มันตามไปขึ้นจะขึ้นกะติงูเหลือมใหญ่งูจงอางเอา้ามาทําไมล่ะามาทําไมมา่งเราทั้งกะติเหลือพันตามไปกะติโชว์ของันเอามาทําไมตไปกลับไ ป, ไป ลกลับไปได้อาจารย์หลวงหลวงพ่องวนโมจรงางไปชูคอขึ้นมาออกมาที่ทำไมล่ะที่ของงพ่ออยู่นะไปทั้งคืนไปบางทีพวกกันได้เสือเจอเจอเสือยังไงอา้าวมานอนมานั่งเฝ้ากันทำไมอาดีขอบคุณเนะอะก็นอนอยู่กนนั่งอยู่เสือมีะ อย่าว่ามันทำาใจทำใจอยู่ป่าอย่าลูกดีลุกหล่นสงบเยี่ยมทักหน่อยไม่แมตาก็นาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบอะไ้อวยชอบเห็นว่าแฟนแมนก็ชิดโกรธขึ้นมารู้จึกตัวรู้จึกตัวทุกวิถีทางอะไรที่มันจะรู้ใช่ทั้งนันหละความหลงมากจะจักมาคมเหลือเกิน ให้มันพ้นจากป่าอาวิชชาความหลงในให้ได้มีความรู้ไม่ต้องออกเดีออกแรงเสือเงือเสือไข่เลยตัวรู้มันจะเชนยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เป็นไรยิ้มยิ้มนะตัวรูน้นี่ใกล้ง่ายนะจึงบอกให้นี่เทศสักหน่อยเนาะเอาวันนี้ก็สมควรเจ็บกนะับพระพ่อมกัน